มีคำโบราณที่เขาพูดว่าก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเราควรที่จะต้องรู้เรื่องของครอบครัวของคนที่เราจะเข้าไปร่วมครอบครัวกับเขาเนี่ยนะครับให้ดีเสียก่อนลาวันนี่เป็นสาวน้อยผู้น่าสงสารซึ่งต้องตกอยู่ในถ้ำกลางตระกูลของคนปราานะสาทเธอเป็นลูกสะพ้ยคนเดียวที่เข้ามาอยู่ในตระกูลนี้ ต้องใช้ไหวพริบปฏิพันฑ์เอาตัวรอดแก้ไขปัญหาต่างๆโดยมีธรรมะเป็นเครื่องช่วยก่อนที่ลาวันจะมาแต่งงานกับในสุพศลูกชายคนหนึ่งในตระกูลเนี่ยลาวันไม่เคยรู้พฤติกรรมความประพฤติของคนในตระกูลนี้มาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวเหตุที่จะแต่งงานก็เพราะว่าลาวันมีปัญหากับแม่เลี้ยงซึ่งก็อยู่รวมกันกับแม่จริงๆของตัวเอง ก็เลยตัดสินใจแต่งงานโดยมีแม่ตัวนี้สนับสนุนเพราะว่าให้แต่งๆไปเถอะเพราะว่าแม่ไม่ต้องการเห็นแม่เลี้ยงนะคอยมาราวีลูกสาวซ้ําแล้วซ้าเล่าให้เป็นที่สะเทือนใจบ้านของลาวันนทําการค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแล้วก็ลาวันก็เป็นลูกคนโตมีน้องสาวอีกสองคนภาระต่างๆตลอดจนการติดต่อซื้อขายก็เป็นหน้าที่ของเธอหมด ส่วนแม่เล็กเมียน้อยของพ่อเนี่ยมีลูกห้าคนผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาเนื่องจากคิดมากจนเส้นเลือดในสมองแตกสาเหตุก็เพราะอยู่ๆแม่เล็กเมียน้อยเนี่เกิดมายึดอำนาจครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองก็ไม่ให้แม่แล้วก็เธอใช้การกระทําเหล่านี้ไม่ได้รอดพ้นสายตาของพ่อไปได้เลยและนี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อต้องมาเสียชีวิตลงด้วยความกลุ่มใจ ก่อนพ่อจะเสียก็เรียกลาวันเข้าไปพูดแล้วก็บอกว่าพ่อผิดไปแล้วลูกเอ้ยพ่อขอโทษพ่อไม่นึกว่าจะเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศโดยเฉพาะลูกๆไม่มีความสุขกันเลยพ่อรู้ทุกอย่างแต่เรื่องมันก็เลยมาป่านนี้แล้วพ่อไม่รู้จะทำยังไงขอให้ลูกมีความอดทนอดกลั้นสามัคคีกันไว้นะลูกนะ ต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในสุพศเนี่ยมาติดต่อซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านที่ร้านของเธอเมื่อพบลาวันเขาก็ต้องตาต้องใจได้พูดจาสู่ขอกับแม่ของลาวันนะโดยที่ตัวลาวันเองเนี่ยยังไม่เห็นด้วยเพราะดูมันรวดเร็วเกินไปแต่แม่เห็นว่าถ้าขืนไม่ไปพ้นพ้นนี่แม่เล็กก็จะต้องหาเรื่องเธอต้องโดนโขกสับไม่เว้นแต่ละวันแต่งแต่งไปเถอะ ลาวันเอ้ยสุพจน์เขาก็เป็นคนดีนะโทษแม่เรายังไม่รู้จักกันดีพอเลยขอเวลาหนูดูเขาอีกสัก ส, กสองปีไม่ได้เหรอแม่ไม่ต้องดูกันนานหรอกเชื่อตาแม่เหอะรับรองแม่ดูคนไม่ผิดหรอแม่บอกว่าดีกด็ดีแต่งแต่งไปเถอะนะลาวันรู้จุดประสงค์ของแม่ก็เลยไม่อยากขัดใจเป็นอันว่ายอมแต่งแต่โดยดีเรื่องสินสอดทองมัน่นสุพจน์ก็นำมาตามที่แม่ของลาวันเรียกทุกอย่างโดยไม่เกี่ยง เพราะว่าฐานะทางบ้านของสุพจน์ก็อยู่ในขั้นเศรษฐีคนหนึ่งลาวันแต่งงานแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่รวมกับครอบครัวของสุพจน์ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวมีพ่อแม่พี่สาวน้องชายน้องสะใภ้น้องสาวแล้วก็หลานๆร่วมอยู่ในบ้านเดียวกันหมดลาวันเข้ามาอยู่ได้สามวันอะไรๆในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มจากนายสุพจน์สามีมาขอสินสอดคืนทุกบาททุกสตางค์โดยบอกว่าพ่อแม่เขาเพียงแต่ให้ยืมเท่านั้น สรุปแล้วลาวันต้องคืนสินสอดให้กับพ่อแม่ของสามีหมดเหลือไว้เพียงแค่แหวนทองเกลี้ยงที่ติดนิ้วมาแต่ดั้งเดิมเพียงวงเดียวเธอก็ไม่ว่าไม่โกรธอะไรทั้งสิน้นคงทำตัวเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเป็นภรรยาที่น่ารักของตระกูลนี่อย่างคงเส้นคงวาเหมือนเดิมโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆหมดจากเรื่องคืนสินสอดไม่นานลายของพี่สาวสามีชื่อสุภาก็ออกมาให้เห็น สุภาพยายามจะให้ราวันนี่ปรนนิบัติตนเองอยู่ตลอดราวั น, นมีงานที่จะต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่มีเวลามารับใช้สุภาซึ่งเป็นสามีพี่สาวสามีอีกด้วยเห็นนี้สุภาก็เลยไม่ค่อยชอบหน้าน้องสะใภ้เท่าไหร่นานวันเข้าถึงก็เข้าหน้ากันไม่ได้เลยสุภาก็คอยพูดจาถักถางยุยงแม่ของตัวเองให้เกลียดราวันตลอดมาแต่ลาวันไม่สนใจ ใช้ความอดทนอดกั้นเพื่อเอาชนะใจคนในบ้านโดยไม่โต้ตอบสันดานของคนในบ้านเริ่มค่อยๆแสดงออกมาทีละคนทีละคนสุชาติน้องน้องชายของสุพจน์แอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนโน้นคนนี้เปลอะไปหมดสร้างความขมขื่นให้กับอารีซึ่งเป็นภรรยาจนไม่รู้จะเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหน ลาวันก็ต้องคอยปลอบโยนโดยใช้ธรรมะช่วยกล่อมกลาวรักษาใจให้ใคลายความเศร้าลงไปบ้างน้องอารีเชื่อพี่เธอช่างมันเธอปล่อยมันไปกรรมใครก็กรรมมันใครก่อกรรมก็รับกันไปเองก็แล้วกันอย่าคิดอะไรมากเดี๋ยวสุขภาพจะแย่นะตัวเองยิ่งไม่แข็งแรงอยู่ด้วยพี่วันลองคิดดูสิผู้หญิงพวกนั้นน่ะอยู่ๆก็โทรมาทาสงครามประสาทกนหนูด่านหนูว่าไม่มีปัญญาดูแลผัวเขายังบอกอีกนะว่า เขาสิแน่ที่แย่งผัวหนูได้หนูจะบ้าตายหนูยอมรับนะว่าหนูไม่มีปัญญาจะไปสู้เราปลอบมือด้วยหรอกมันทุเรศที่สุดเอาเธอใจเย็นๆไว้อรีไม่ช้าก็ดีขึ้นเองอะ่ะอย่าไปสนใจใายดีกับเรื่องแบบนี้เลยทีหลังถ้าแม่พวกนั้นโทรมาอีกก็รีบวางหูซะนึกว่ามันขยะมูลฝอยอะ่ะนานไปก็จะมีแต่จะส่งกลิ่นเหม็นให้มันเหม็นถ้าข้างนอกก็ดีแล้วช่างมันสนใจมากก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆเชื่อพี่นะทาใจให้สบายเถอะ ทำไมพี่วันถึงทนอะไรอะไรได้เก่งนะักแต่หนูเป็นพี่อป่านนี้หนูกินยาตายไปนานแล้วพี่มันจนะินชาแล้วน้องทุกอย่างที่ผ่านมามันสอนให้พี่สู้ให้รู้จักอดทนคนเรานะ่ะมันต้องรู้จักโง่บ้างในบางโอกาสแล้วก็ควรฉลาดในบางวาระนะจําไว้ทีเดียวการสนทนาของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยคติซึ่งลาวันก็เป็นผู้ป้อนให้อารีก็คลายความทุกข์ลงไปได้บ้าง หมดจากเรื่องของน้องสะพยก็มาเจอเรื่องของแม่นกแม่นกซึ่งเป็นน้องสาวของสุพจน์เนี่ยเพราะว่านกเนี่ยเป็นคนปัญญาอ่อนก็สร้างแต่ปัญหาวุ่นวายเมื่อเป็นคนปัญญานิ่มก็ทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่เสมอก็เป็นที่รกหูรกตาของคนในบ้านแทนที่จะได้รับการอภัยจากพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเป็นคนพิการกลับมาต้องถูกทุบถู ก, ถกตีจากคนโน้นคนนี้ทีโดยเฉพาะจากน้ํามือของพี่สาวกับแม่ จะโดนมากกว่าเพื่อนโดนแต่ละครั้งก็ฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวลาวันเห็นก็เกิดความสงสารต้องคอยพูดจาปลอบประโลมอยู่เสมอนกผู้พิการก็ได้แต่ร้องไห้พี่วันทำไมก็ต้องตีนกยังกระวัวกระควายด้วยอ่ะนกนกจะหนีไปไกลๆแล้วล่ะทีเนี้ยทำอะไรไม่ถูกใจก็ถูกตบถูกตีนกไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนกเอ๋ยคนเรานะ่ยเกิดมาย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองนะ นกจะไปไหนเราเป็นผู้หญิงอ่ะไปอยู่ที่ไหนก็มีอันตรายไม่ได้หรอกเชื่อพี่เถอะนกอยู่ไปนกก็ตายลูกเดียวอ่ะพี่วันดัว ก, ก็แล้วกันไม่มีใครรักนกเลยไม่ถูกใจก็ตีตีตีรู้ที่เขียวไปหมดทั้งตัวแล้วลาวันพิจารณาดูนกถึงแม้จะเป็นคนปัญญาอ่อนแต่ก็พอพูดจารู้เรื่องแม้ว่าจะทำอะไรไม่ค่อยถูกก็ตามที แล้ววันคิดว่าถ้ามีเหตุมีผลคอยชีย้แจงกับ น, นกบ้างนกก็คงพอเข้าใจดีความมาลงไม้ลงมือกันเออนกเคยไหว้พระไหมอืไมไม่เคยอย่าไปไหว้ที่ไหนอะพี่วันอยากจะไหว้ไหมล่ะกูอยากไหว้เหมือนกันนะ่ะเอาอย่างนี้คืนนี้ก่อนนอนไปที่ห้องพี่นะไปไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวพี่จะสอนให้ถ้านกไหว้พระสวดมนต์เก่งๆใครๆก็ไม่ตีนกหรอกเพราะว่าพระจะคุ้มครองจริงหรือเปล่าพี่วันอืมใช่ ตั้งแต่นั้นมานกก็จะติดลาวันแจมีอะไรก็มักจะคอยถามไทยกันเสมอก็ทําอะไรผิดน้อยลงเวลาลาวันไปไหนมาไหนก็นําของฝากมาให้นกก็รักเธอไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อฟังลาวันคนเดียวเวลามีเรื่องไม่สบายใจก็จะพาน ก, กไปไหว้พระสวดมนต์ทำอย่างเนี้ยจนติดเป็นนิสัยของนกเดี๋ยวนี้นกชอบที่จะไหว้พระมากทีเดียวลาวันเห็นก็สบายใจที่ช่วยทําให้นกดีขึ้น คนเราเมื่ออยู่ร่วมกันปัญหาต่างๆก็ย่อมมีให้เห็นเป็นประจำเดี๋ยวคนโน้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ยังสุภาพี่ผัวนี่ก็ทําเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาอีกแต่ผู้เป็นแม่กลับเห็นดีเห็นชอบเห็นเป็นเรื่องถูกต้องสนับสนุนส่งเสริมเป็นการใหญ่แม่เงินทองเราก็มีใช้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนะนะแต่ว่าหนูอยากจะมีอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้ใครๆเขาเรียกหนูว่าคุณนายหนูต้องหาผัวเป็นนายทหารให้ได้นะเป็นเมียน้อยก็เอานะแม่นะ ก็แล้วแต่แกที่แม่ก็ว่า ด, ดีซะอีกเวลาไปไหนมาไหนใครใครเขาเรียกคุณนายนะมันโก้นะเออแล้วตอนนี้มองใครไว้บ้างแล้วหรือยังอ่ะมองแล้วแม่เขามาจีบหนูแล้วละ่ะอยู่กรุงเทพมีลูกสองคนแล้วกี่คนก็ช่างมั น, ปนไปเลยเราอยู่ทางนี้เมียเขาอยู่ทางโน้นไม่เกี่ยวกันนะ่ะเออแม่เห็นดีด้วยลูกเอาเหอะไม่ถึงเดือนสุภาก็พาลูกเขยยศนายพันนายพลอะไรไม่รู้มาไหว้แม่จนได้นับแต่นั้นมา สุภาก็เป็นคุณนายสมใจนึกโดยไม่ได้ตกได้แต่งอย่างสมควรที่จะทําสุภามีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทให้สามีสุทธิรักสุดฤทธิสุดเดชได้หวังเพียงให้เขามาอยู่เคียงข้างเธอแล้วก็ทิ้งภรรยาเก่าเสียปลนเปลืยได้รถเก๋งคันงามอ่ารถก็แล้วเงินทองก็แล้วสามีสุทธิรักก็ไม่ยอมทิ้งบ้านเก่าสักทีตั้งแต่แต่ตงตั้งตัวเองเป็นคุณนายขึ้นมาสุภาในทำตัวประหลาดขึ้นทุกวันใครไปใครมา ตลอดจนคนใช้ถูกบังคับให้เรียกคุณนายหมดเวลาจะพูดจะจากระใครก็แทนตัวเองว่าคุณนายทุกคาลาวันเห็นแล้วก็ให้นึกสังเวชคนอะไรนะบ้าอำนาจหลงตัวเองจนไม่มีความละอายแก่ใจลาวันไม่ได้เรียกบ้าจี้ตามไปด้วยไม่ได้เรียกคุณนายสุภาก็ยิ่งแค้นเคืองหัวใจจนแทบจะระเบิดหงุดหงิดทันทีที่เห็นหน้าน้องสะพ้ยคิดหาทางที่จะเขี่ยวจากบ้านไปให้ได้ ว, วันก็คอยแต่กระแนะกระแหนะ อ พ, อพอเผชิญหน้ากับลาวันเมื่อไหร่ก็เอาล่ะเมื่อนั้นแหละเสร็จแล้ววันที่ความอดทนของลาวันสิ้นสุดก็มาถึงเมื่อสองแม่ลูกช่วยกันดา่าลาวันชนิดที่ทนฟังไม่ได้เลยพร้อมกระเสือกสายไล่ส่งอีกต่างหากเอ็งใสหัวออกจากบ้านฆ่าไปได้แล้วนะอยู่ไปก็เป็นเสนียดเอ็งไม่เคารพพวกข้าเอ็งก็อยู่ไม่ได้เอ็งรีบไปเลยอย่าลืมเมื่อตอนนี้เอ็งมีแต่ตัวก็ต้องไปแต่ตัวไปซะเร็วๆยิ่งดีนะแม่ผัวสั่งการ ส่วนแม่ลูกสาวก็แสบไม่เบาช่วยแต่งเสริมเติมเรื่องให้มันเลวร้ายหนักยิ่งขึ้นโอ้ยคนเราลองมันไม่รักดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกไปทำมาหากินที่ไหนก็ไม่เจริญเชะลาวันนะทนฟังอยู่นานก็พอจะรู้พวกเขากำลังเสือกสายไล่ส่งด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแ ท, แท้เธอก็ไม่ตัวตอบอะไรก้มหน้าก้มตาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับไปอยู่บ้านของตัวเองโดยมีสุพศสามีตามไปด้วย เก็บความช้าไว้ในอกไม่กระโตกกระตาค ใ, ใครๆรู้สักนิดแต่ก็ปิดอยู่ไม่นานในเมื่อทุกคนในบ้านรู้ความจริงแต่ก็ไม่มีใครตอกย้ําความรู้สึกให้สะเทือนใจแต่และฝ่ายทุกคนกลับเห็นใจก็พากันสงสารลาวันก็ช่วยกันเป็นที่ปรึกษาออกความคิดเห็นเพื่อให้ทั้งคู่ในตั้งครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวอิสระไม่ต้องไปอยู่ปะปนกับใครให้ช้ําใจเป็นครั้งที่สองเมื่อปรึกษาหารือกันลงตัวแล้วก็สรุปกันว่าให้ทั้งสองไปเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านอีกสาขาหนึ่ง เพราะว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของลาวันนะคงจะไปได้สวยทีเดียวพอโตลงตามนี้สองสามีภรรยาก็ออกตะเวนหาบ้านเช่าแล้วก็หาได้ดังใจเปิดร้านรวงจนมีกิจการใหญ่โตลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันไม่ได้ตกต่ำอย่างที่แม่สามีและพี่สาวสามีดูถูกไว้แต่ทีแรกขอย้อนกลับไปที่แม่ของสุพ์เมื่อไล่ลูกสะพ้ยออกจากบ้านแล้วไม่ช้ากรรมก็ตอบสนองไม่รู้จะหาเรื่องทะเลาะกับใคร ก็ปะทะกันแม่แม่ลูกลูกมีเรื่องบาดหมางถึงขั้นไม่ลงรอยกันเป็นประจำแม่สุภาก็ยังบ้าตำแหน่งคุณนายส่วนเกินจิงรักหักสวาร์กกับบ้านใหญ่ไม่ลดละสุชาติก็พยายามใช้ความเป็นหนุ่มหุ่น ง, งามเงินหนาทุ่มเทให้กับบรรดาสาวและไม่สาวโดยไม่เน้นึกถึงลูกเมียทางบ้านไม่ว่าลูกเขาเมียใครไม่ล่าเวน้นทําให้บรรดาสา ม, มีสาวสาวทั้งหลายพากันเจ็บแค้นคอยจะจ้องยิงเอา แต่นกรู้อย่างสุชาติในี่กลับรอดมาได้ทุกครั้งถึงยังไงก็ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆเหมือนกับพวกวัวสะลังวะเห็นกาบินโชบก็กลัวจะถูกจิกแผลข้างหลังก็ไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขเลยต่อมาไม่นานทั้งสุภาและสุชาติเงินก็ร่อยหรอไม่มีจะใช้คอยมาลวงมาควักเอากับแม่ของตัวเองเป็นประจำเมื่อเอาจนพ่อแม่ไม่มีจะให้ก็นึกถึงลาวันสุภาก็เลยใช้ให้แม่มาของเงิน เมื่อเห็นครอบครัวลาวันมีฐานะดีขึ้นนี่แม่วันรู้จักเอาเงินเอาทองมาให้พี่น้องเขาใช้กันมั่งสิลูกเต้าก็ไม่มีจะเอาไปเก็บทำไมนะักเงินเขามีไว้ใช้นะไม่ได้มีไว้เก็บแม่แม่ฟังนะถ้าพ่อกับแม่ไม่มีในวันก็จะให้หรือถ้าพี่น้องคนไหนไม่มีจะกินในวันก็จะให้แต่ตอนนี้ทุกคนสุขสบายดีวันไม่ให้หรอกเมื่อลูกสะพยตัดบัวไม่เหลือใหญ่ ก็นําคําพูดไปบอกกับลูกสาวลูกชายที่บ้านเป็นเหตุให้สุภากับสุชาติเป็นเดือดเป็นแค้นราวันเหลือเกินแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นกอกจากคอยโทรศัพท์ไปด่าแต่ว่าลาวันรู้เท่าทันเกมก็เลยไม่สนใจไม่รับสายไม่ช้าก็เงียบมันเองตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปไม่ยอมให้เสียงนกเสียงกามากระทบหูไม่นานนักก็ได้ข่าวจากอารีซึ่งเป็นภรรยาของสุชาติ โทรศัพท์มาบอกว่าพ่อผัวแม่ผัวถูกลูกสาวไล่ออกจากบ้านต้องไปหาบ้านเช่าอยู่กันตามลำพังสองคนตายใหญ่เวรกรรมจริงๆเมื่อพ้นจากลาวันแกต้องทำงานเองทุกอย่างหลังจากที่ลาวันออกมาจากบ้านแล้วครั้งที่ลาวันอยู่ด้วยพ่อผัวแม่ผัวสบายทุกอย่างเธอดูแลทุกสุขปณิบัติไม่ให้ขาตกบกพร่องเมื่อถูกลูกสาวขับไล่ใส่ส่งออกมาอยู่กันตามลาพัง ก็เดือดร้อนไปหมดไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินซักผ้ารีดผ้าตลอดจนเรื่องอื่นๆมันดูคลุกคลักวุ่นวายไปหมดแทนที่ผู้เป็นแม่จะโกรธลูกสาวกลับพานหาเรื่องกล่าวร้ายหาว่าต้นเหตุเกิดเพราะลูกสะเพยเกิดเพราะาวันผ่านตีอกชกตัวเกลี้ยกลาดด่าทอให้ชาวบ้านฟังใครๆไม่รู้ความว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรราวันก็เสียชื่อเสียงปนปี้ไม่มีชิ้นดี สุพศกับราวันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการงานเจริญรุ่งเรืองสนใจอ่านและศึกษาธรรมะไฝบุญกุศลทำบุญทำทานตามแต่ฐานะพึงมีไม่หมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระใครจะหวังดีหรือไม่หวังดียังไงทั้งสองก็ไม่ใส่ใจเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนผูงญาติพี่น้องโดยเฉพาะแม่เล็กเดี๋ยวนี้เธอกับแม่เล็กเข้าใจกันดีทาให้แม่ใหญ่เนี่ยเป็นสุขไปด้วย ส่วนนกเนี่ยก็ไปคลุกอยู่กับสถานที่สอนธรรมะโดยมีลาวันคอยให้ความดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือตลอดมากลางคืนก็กลับไปอาศัยนอนกับญาติที่เขาให้ความเมตตาครับธรรมะย่อมชนะอาธรรมฉันใดความดีย่อมชนะความชั่วได้ฉันนั้นครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องลุงสนให้ฟังนะครับลุงสนนี่แกทาหน้าที่เป็นพานรง ขยันขันแข็งในการทํางานรับผิดชอบหน้าที่ดีลุงสนได้มีครอบครัวแล้วก็สร้างบ้านอยู่ติดกับที่ของโรงเรียนเมียแกก็เป็นคนขยันมั่นเพียนสมัยนั้นป่าและแหล่งน้ํายังมีมากก็ทํามาหากินได้อย่างสบายลุงสนเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเคยเป็นครูสอนเด็กอยู่ตามป่าเขาแต่ว่าเงินเดือนมันน้อยก็เลยลาออกมาขายมะเขืมาซึ่งได้เงินมากกว่าแกบอกว่ามาถึงตอนนี้รู้สึกเสียดายอาชีพครูหากไม่ลาออกคงจะมีฐานะมั่นคงดี แต่แกก็บอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกรรมของตัวลุงสนเนี่ยชอบกินเหล้าสูบุรีแต่ก่อนเหล้ากินนิดหน่อยเพราะแกตัวมากขึ้นแทนที่จะดื่มน้อยล ง, ลงกลับหามาดื่มให้มันมากขึ้นอเพราะแกอายุครบหกสิปีแล้วออกจากพันโรงมาอยู่บ้านกับลูกและเมียพอหมดหน้าที่พันโรงก็กินเหล้ามากขึ้นไปอีกงานการก็ลดลงเป็นที่หนักใจของลูกของเมียมากขึ้นวงเหล้าลุงสนจะมีแต่คนอายุใกล้เคียงกันบางคนก็มากกว่าหลายปี พอเล่าข้าวทองได้ที่ละแต่ละคนก็สนใจจะจะคุยเรื่องของตัวเองส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเป็นที่เอือมระอาะกันทั่วไปพอลุงสนเมาเล่าหนั ก, นกๆเขาแกก็จะร้องเอะอะโวยวายเรียกว่าเป็นคนพ่านโดยสมบูรณ์ถ้ามีใครมาว่าแกลุงสนขี้เมาหรือบอกเมาแล้วไปนอนเสจะลุงสนก็จะตะโกนกูไม่เมาใครว่ากูเมากูจะีเตะค้างคว้าเละชาวบ้านแถวนั้นให้สายาลุงสนลุงเตะค้างฟ้าเป็นที่เรื่องเลือดไปไกล เหตุการณ์ของลุงสนที่ดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วนะคนในครอบครัวไม่ว่าลูกว่าเมียก็ได้แต่ท้อใจคือแต่ละวันในลุงสนจะต้องมีเหล้ากรอกปากเรียกว่าเป็นโรคเหล้าเรื้อรังละ่ะจนในที่สุดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดก็เกิดลุงสนกลายเป็นคนหูหนักเมียและลูกพูดที่ไรต้องเพิ่มน้ำหนักเสียงถึงจะได้ยินแม้จะหูตึงก็ยังเลิกเหล้าไม่ได้นะเป็นสิ่งทรมานของลุงสนยิ่งนักที่ต้องมารับฉายาไอ้หูตึงอีกตำแหน่งนึง หากวันไหนกินเหล้าจัดหูของแกแทบจะไม่ได้ยินเลยถ้าวันไหนงดดื่มไปได้ก็พอจะได้ยินบ้างลูกกับเมียก็อายชาวบ้านขี้เมายังไม่พอยังหูตึงอีกหูหนวกต้องยอมรับสภาพเวรกรรมไปพอเป็นหนักหนาเข้าพูดทําไม่ได้ยินบรรดาลูกๆก็ขอร้องให้ลุงสนเลิกกินเหล้าแม้ว่าจะทรมานยังไงลุงสนก็ยังสติดีอยู่ก็ตั้งอกตั้งใจงดเหล้าโดยเด็ดขาดแกใช้เวลาไม่นานก็เลิกเหล้าได้สนิทแถมบุรี่ก็งดสูบได้อีกก็ ทำให้เมียกับลูกก็พากันยิ้มได้บ้างแต่ก็ยังหนักใจเพราะว่าหูหนกยังไม่หายกลับเป็นหนักเขาทุกวันเมื่อพาลุงสนไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่สามารถช่วยได้ลุงสนก็เลยแก้การคิดมากกับการพูดกับคนอื่นเขาไม่ได้ยินโดยการอยู่ทําสวนอย่างเดียววันวั น, วนุกอยู่ในสวนนั่นแหละพอมีเงินมากขึ้นพวกลูกๆของลุงสนก็พากันเอาลุงสนไปตรวจหูตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ใ, ในที่สุดก็ได้เครื่องช่วยฟังเสียบที่หูนี่ กายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ระยามมีคนมาถามข่าวคราวลุงสนก็พอจะได้ยินขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ถนัดชัดเจนเท่าที่ควรลุงสนแกใช้เครื่องช่วยฟังเสียบใส่หูอยู่4ีหเดือนก็ต้องล้มเลิกไปเพราะยิ่งใส่ยิ่งไม่ได้ยินหนักเข้าไปอีกแกบอกว่ามันเป็นกรรมของแกมาชาติก่อนสุดที่จะแก้ไขได้ก็ต้องทรมานหนักกว่าจะตายไปแล้วปลายปีนั้นก็มีญาติพี่น้องมาแนะนําให้ลุงสนไปเสี่ยงดวงกับพระพุทธรูปที่อยู่ในที่วัดในตัวตําบลห่างบ้านลุงสนไป5กิโลเมตร ลุงสวนแกหมดขนทางอย่างอื่นแล้วก็จำยอมใช้วิธีนี้ดูตามที่ญาติพี่น้องบอกพอเดินทางไปถึงวัดก็ไปบอกกับจเจ้าอาวาสให้ท่านทราบเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้ทำพิธีได้เพราะว่ามีชาวพุทธไปเสี่ยงดวงกันบ่อยๆการทำพิธีเสี่ยงดวงก็เพียงเอาดอกไม้ทูบเทียนบูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็คลานเข้าไปใช้มืออุ้มยกพระพุทธรูปขึ้นหากว่าเป็นดังอธิษฐานก็จะยกขึ้นหากเป็นไปไม่ได้จะยกยังไงพระพุทธรูปก็ไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อย สำหรับลุงสนน่ะแกก็อธิษฐานบอกถ้าขปเจ้าจะหายหูหนวกจากอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปก็จะอุทิศตนบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนาพอเข้าไปยกพระพุทธรูปลุงสนยกขึ้นได้อย่างสบายก็ทําให้ลูกเมียและเจ้าอาวาสแปลกใจดีใจโดยเฉพาะตัวลุงสนดีใจเหนือกว่าใครนับแต่นั้นเป็นต้นมาลุงสนก็ลดการทํางานในไร่นาลงหันเข้าวัดเอาหนังสือธรรมะจากหลวงพ่อที่วัดมาท่องมาอ่าน ด้วยการที่ลุงสนเป็นคนเอาจริงเอาจังก็เลยอ่านท่องหนังสือทั้งกลางวันกลางคืนลดแล้วก็งดการทําบาปทุกชนิดมีธรรมะเป็นที่พึ่งหัวค่ำในลุงสนจะท่องบทสวดมนต์เย็นเสียงดังฟังชัดอยู่ในห้องของแกและพอใกล้รุ่งประมาณตีสี่ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้านะพอถึงวันพระช่วงขบันสาลุงสนก็จะไปถือศีลแปดอยู่ที่วัดรวมกับอุบาสกอุบาสิกาอื่นๆลุงสนประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม ท่องบทรมวัดเช้าเย็นอยู่ไม่นานอาการหูหนวกก็เริ่มดีขึ้นนานเข้าได้ยินชัดเจนกว่าตอนที่ใช้หูฟังใหม่ๆซะอีกเมื่อผลแห่งความดีเริ่มปรากฏลุงสนก็ทำตนเป็นชาวพุทธให้ดีมากขึ้นลูกเมียก็พากันดีใจตัวลุงสนนั้นก็ดีใจกว่าใครๆแกเตรียมตัวอุปสมบทเลยทีเดียวซึ่งเรื่องที่ลุงสนมีอาการหูหนวกดีขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นที่เล่าลือของชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่นานทีเดียว เมื่อหลุงศนมีความประสงค์จะบวชจริงบรรดาลูกเมียญาติพี่น้องก็พากันเตรียมงานบวชอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันพระภิกษุศนยังคงบวชอยู่ที่วัดใกล้บ้านนั่นเองมันประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพศาสนาพุทธนั้นมีพระคุณมากอย่าใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไปวันๆเลยเพราะชีวิตเล่นเข้าหาความตายไปทุกขณะที่มีลมหายใจรีบหันมาประพฤติตนเป็นคนดี ลดเลิกอาบายามุกกันเถอะแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขแล้วก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์ที่จะมาช่วยบรรดาลให้สิ่งร้ายๆในชีวิตเนี่ยมันหายไปได้อย่างมหัศจรรย์ครับโดยเฉพาะความสุขใจความสุขใจในมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆและความสุขใจที่แท้จริงก็จะหาได้จากธรรมะเท่านั้นครับครับเวลาหมดแล้วท่านดู้วังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ